เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27กรรขัณฑาของพุทธศักราช2 5 5 6เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญปฏิบัติ การประถัมคำสอนของพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนที่จะเพิ่มความเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้มากขึ้นกว่าปกติเนื่องจากเห็นว่าเป็น เวลาที่จะพุทธจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความบดทุกที่จะตามมาต่อไปในช่วงเข้าพึกษายังมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้น เป็นกรณีพิเศษสุดแท้แต่จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติอะไรเพิ่มขึ้นเช่นทำบุญให้มากขึ้นละบาปให้น้อยละบาปให้มากขึ้นทำใจให้สะอาดมากขึ้นด้วยการลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากต่างๆ ให้น้อยลงไปเพราะการกระทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้จะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงจะเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริงแล้วชีว<า>ิตของเราเวลามันก็จะค่อยหมดไปทีละเล็ก<า>ทีละน้อยวันวันหนึ่งนี้โอกาสหรือเวลา ที่เราจะได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนประโยชน์ที่เราทำให้กับร่างกายหรือกับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นเพียงประโยชน์ชั่วคราวเวลาที่ร่างกายนี้รวจสภาพไปแล้วเราก็จะไม่สามารถรับประโยชน์ จากสิ่งต่างๆที่ร่างกายของเราได้ขวนขวายหามาได้เราจึงไม่ควรให้ความสำคัญต่อการขวนขวายสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเช่นการขวนขวายหาลากยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายซึ่ง เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความทุกข์เวลาที่ต้องพัดผ้าจากสิ่งต่างๆที่ได้หามาไปแต่ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการทําบุญจากการละ บ, บาปจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นประโยชน์สุขที่จะติดไปกับใจ ผู้ที่ไม่มีวันตายใจหลังจากที่ร่างกายหมดสภาพไปแล้วใจก็จะไปต่อจะไปดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปและความสะอาดของใจนี้ถ้าบุญมากบาปน้อยใจสะอาดมากก็จะไปดีถ้าบุญน้อยบาปมาก ใจไม่สะอาดใจก็จะไปไม่ดีนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ชาวพุทธเราต้องรีบขวนขวายสร้างบุญละบาปชำระใจให้สะอาดให้มากขึ้นจึงมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเข้าพันานี้บางท่านก็อาจจะใส่บาป เพิ่มมากขึ้นมาวัดบ่อยขึ้นถือศีลให้มากขึ้นลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากให้น้อยลงไปนี่คือเรื่องของการเข้าภรรษาเป็นการที่พุทธศาสนิกชนจะมาสร้างเหตุที่ดีเพื่อผล ที่ดีที่ตามมาต่อไปบางท่านก็ออกบวชมาอยู่บวชเป็นพระอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาสามเดือนบางท่านก็บวชพรามบวชชีมาอยู่วัดบางท่านก็มาอยู่วัดในช่วงวันพระหรือวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆมาถือศีลแปดกัน ถ้าไม่ได้มาวัดก็ถือศีนห้ากันแล้วก็ละอบายอมุขต่างๆเช่นการเดิมสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นการกระทำเหล่ า, น, านี้จะเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับ จนบทดไปในที่สุดการที่จะทำการที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆให้ได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมอยู่สี่ประการด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานแปลว่าความตั้งใจข้อที่สองคือสัจจกความจริงใจ ข้อที่สามก็คือวิียะความอุตสาหะและข้อที่สี่ก็คือขันติความอดทนนี่คือคุณธรรมที่จะเป็นปัจจัยช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างไม่มีปัญหาปฏิบัติจนถึง ความสำเร็จได้ขึ้นอยู่ข้อที่หนึ่งก็คือความตั้งใจเช่นเราต้องตั้งใจว่าเราจะทำอะไรจะถือศีลห้าไปตลอดทั้งพรรษาแล้วก็ถือศีลแปลในวันพระหรือวันหยุดหรือว่าจะถือศีลแปลไปตลอดทั้งพรรษาจะทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตร ก็ดีถ้าทำได้ถ้าทำบะใส่บาตรไม่ได mm. ้ก็จะเอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรมาใส่กระปุกเอาไว้ไว้รอเวลาที่มาวัด mm. ก็นาเอาเงินที่ใส่กระปุกนี้มาถวายให้กับวัดไป mm. คือจะทำทุกวัน mm. ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือมาวัด ถ้าเราไม่ทำทุกวันเราก็จะมีเหตุมีเรื่องมีลาวต่างๆที่จะทำให้เราไม่ได้ทำแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะต้องทำทุกวันไม่ว่าจะทำด้วยการใส่บาตรโดยโตรงหรือว่าเอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี่เอาใส่ไว้ในกระปุกรอวันที่เรามาวัด หรือเราช่วงออกพรรษาที่มีการถวายผ้ากระถิ่นผ้าป่าเราก็จะได้ร่วมทําบุญกับการถวายผ้าป่าผ้ากระถิน่นได้นี่ก็คือเรื่องการทําบุญทุกวันเรื่องรักษาศีลก็รักษาศีลทุกวันเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี โลหะหล่รวมเศษชรายามจะรักษาทุกวันส่วนวันหยุดหรือวันพระก็จะเพิ่มเป็นสิงแปดส่วนท่านที่มีเวลาว่างหรือมีความสามารถที่จะรักษาสิงแปดได้ตลอดก็สมาทานหรือตั้งจิตอธิษฐานว่าพรรษานีจะรักษาสิงแปดไดด รักษาสิงแปลกไปตลอดบางท่านไปอยู่วัดได้ก็ไปอยู่วัดตลอดทั้งพรรษาบางท่านออกบวชเป็นพระภิกษุได้ก็ออกบวชการกระทาเหล่านี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กาบจิแตแก่จิตใจที่ยังต้องมีการพัฒนาให้มีคุณธระทำความดีงาม เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคุณธรรมความดีเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจเมื่อถึงเวลานั้นแล้วใจก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศโลกที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันก็คือปรมังสุ ข, ขังและได้ ยุติการต้องไปเวียน่ายตายเกิดการต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการผร่าผ่าจากสิ่งต่างๆไปนี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นคารวะญาบโยนหรือเป็นพระภิกษุสมมามเณรเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักบวชหรือเป็นนักบุญ การกระทำทั้งหลายนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด<บ>การที่จะได้เข้าพบกับความสุขที่แท้จริงและถาวรเกิดจากการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจก็คือทำดีทำบุญ ละบาแล้วก็ชำระใจให้สะอาดด้วยการหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจดังนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ขอให้เราคิดถึงเหตุผลของการกระทำไม่ว่าจะเป็นการทำบุญก็ดีละบาปก็ดี ชำระใจให้สะอาดโรยสุดก็ดีเป้าหมายก็คืออยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้จะเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการจะต้องไปเวนว่าตายเกิดไม่มีวันหมดสิน้นการทำบุญต่างๆก็เป็นการหยุดความอยากเช่นเราเอาเงินใส่บาต เอางินซื้อข้าวซื้อของใส่บาตรอันนี้ก็เป็นการหยุดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ไปทางตามความอยากเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องใช้เงินไปซื้อแต่สิ่งที่เราอยากได้นั้นเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราอยา่างแท้จริงเขาให้ความสุขเพียงเดี๋ยวเดียว แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้เราเกิดความอยากเพิ่มขึ้นอีกเราก right. yeah. ็จะต้องหาเงินหาทองมาซื JA <man> <man> <man ้อของต่างๆเพื่อตอบสนองตามความอยากไปเรื่อยๆซื้อมาได้มากน้อยเพียงไรความอยากก็จะไม่หมดไปแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะซื้อของตามความอยากนี้เอามาทำบุญให้ทาน ใจของเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็จะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเกิดความพอใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการทำทานทำบุญทำเพื่อหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ทำเพื่อให้เราร่ำให้รวยเพื่อให้เร า, เาไปเกิดพบหน้าชาติหน้าที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ แต่ผลที่มันจะเกิดก็เกิดเช่นคนทําบุญให้ทานถ้ายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดดีกว่าชาตินี้มีสมบัติข้ า, ขาวของเงินทองมากกว่าชาตินี้แต่นั่นไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทาบุญให้ทานเป้าหมายที่แท้จริงเราทำเพื่อหยุดความอยาก ทุกครั้งที่เราอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือจะไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นเราอย่าไปทำเราเอาเงินที่จะไปใช้ในกิจกรรมเหล่านั้นเอามาทำบุญให้ทานไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการสกัดความอยากแล้วเราจะไม่ต้องมีความอยากมาคอยอคอยผลักดัน ให้เราต้องไปทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาทำตามความอยากแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาชำระใจของเราให้บริสุทธิ์มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เพราะถ้าเราต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะ อยากจะหาแบบง่ายๆแนะววดเร็วเราก็จะทำบาปกันเพราะว่าถ้าจะหามาแบบไม่ทำบาปนั้นจะหามาได้ยากกว่าและช้ากว่านั่นเองการที่เราได้เงินมาแต่เราได้มาด้วยการทำบาปนี้แทนที่เราจะได้กำไรเรากลับขาดทุน เพราะว่าบาปนี้จะทำให้จิตใจเราตกต่ำจิตใจของเราจะเสื่อมลงจากการเป็นมนุษย์มาเป็นเดรัจฉานบ้างมาเป็นเปรตบ้างมาเป็นนรกบ้างดังนั้นถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปทำตามความอยากต่างๆมาทำบุญเราก็จะลดความอยากลงไปเรื่อยๆ เมื่อลดความอยากลงไปเรื่อยๆความจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมาเพื่อมาตอบสนองความอยากก็จะมีน้อยลงไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำบาป ก, ก็ได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องหาเงินมามากเงินเราก็หามาเพื่อไว้สำหรับดูแลร่างกายนี้ก็พอมีไว้สำหรับหาปัจจัยสี่ ที่จาเป็นต่อการครองชีพเราก็จะทำให้ใจของเราไม่ต้องทำบาปทำให้เรามีเวลามารักษาศีลมาชาระใจของเราได้การชาระใจเราก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปลนี้จะช่วยประคับประคองใจไม่ให้ไปหลงกับความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นไม่ต้องเสียเวลากับการรับประทานอาหารมากจนเกินไปเราจะรับประทานเพียงวันละครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่ไม่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไป หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูภาพยนตร์น้องนำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานต่างๆไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดงานเหล่านี้เราก็จะดังงับไปเพราะเราถือสิ่งแปเราไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาแต่งเนื้อแต่งตัว แต่หน้าทาปากชะลมด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆเพราะเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราอยู่บ้านเราก็เพียงแต่อาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายสะอาดหวีผ้าวีผมก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มาทํากิจกรรมที่สำคัญก็คือการชำระใจให้สะอาดการาชำระใจให้สะอาดนี้จำเป็นจะต้องควบคุมใจ ไม่ให้คิดด้วยเปลือ่อยเพราะถ้าใจคิดด้วยเบื่อยแล้วจะเกิดอารมณ์เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาพอมีอารมณ์แล้วก็จะไม่สามารถอยู่เป็นปกติได้ไม่สามารถรักษาศีลได้เช่นถ้าละคิดถึงละครคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงงานเลี้ยง เราก็จะอดที่อยากจะไปดูไปไปชมไม่ได้แต่ถ้าเราคอยควบคุมใจของเราไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะไม่มีความอยากตามมาใจจะว่างใจเย็นจะสบายจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดได้อย่างมีความสุขเพราะไม่มีความอยาก นังนั้นเราจึงต้องมาควบคุมความคิดของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปควรจะมีอะไรกากับใจผูกใจเอาไว้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆจะท่องบทสวดมนต์ก็ได้จะท่องคาถาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เช่จนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือจะนับ 1, 2, 3สองสาไปก็ได้หรือจะคิดถึงอาการ32ของร่างกายก็ได้มีอะไรให้ใจคิดใจทําแต่เป็นเรื่องที่ไม่ํำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเรื่องเหล่านี้ถ้าคิดแล้วจะไม่เกิดอารมณ์ความโลภความอยาก ถ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมงสังโฆหรือบทสวดมนต์หรืออาการส2สองของร่างกายจะไม่มีอารมณ์อยากจะทำให้ใจเย็นใจสบายใจว่างเวลานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอ เ, เข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุข ที่จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเรานี่เองอยู่ที่ความสงบแล้วก็เป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกษษษษษิจลดโภตาไม่ต้องใช้บุคคลต่างๆเราจะสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้ อยากไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจอันนี้แหละเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราอาศัยบุคคลอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเวลาบุคคลหรือสิ่งต่างๆจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่เราได้รับ จากการควบคุมความคิดทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่เราทำได้ตามลำพังของเราไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปนัญหาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังทำได้อยู่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายนั่นเองเราใช้ธรรมะคือสติคอยควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆทำไมเราคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทำไมมอให้คิดธรรมะทำไมเราคิดไม่ได้คิดพุทโธพุทโธไปทำไมทำไมคิดไม่ได้หรือคิดบทสวดมนต์ไปหรือคิดถึงอาการสาสิบสองไปหรือจะคิดไปในทางปัญญาก็ได้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ต้องตายเป็นธรรมดาความคิดเหล่านี้คิดแล้วจะเป็นประโยชน์เพราะคิดแล้วทำให้ใจสงบทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจไม่วุ่นวายไม่กังวลกาวายไม่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเพราะเป็นความรู้ที่จะทำให้ใจไม่หลงเช่นถ้าเราคิดว่าร่างกายของเรานี่เป็นเพียงอาการสาสสอง เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ถ้าไม่เชื่อเราลองแยกอาการต่างๆออกมากองไว้เป็นอกองๆแล้วลองถามตัวเองรือว่าตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บอยู่ที่ฝันอยู่ที่หนังหรืออยู่ที่เนื้อหรืออยู่ที่ปอดอยู่ที่หัวใจ ถ้าดูนะทั้งร่างกายนี้หาตัวเราไม่เจอเพราะมันไม่มีตัวเราตัวเราอยู่ในใจที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเวลาที่เราได้ร่างกายมาเวลาที่ค้อดออกมาจากท้องบิดามารดาเราก็หลงคิดว่าเราคือร่างกายแต่ถ้าเราคิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดคือให้แยกอยู่เรื่อยๆ ให้ดูอาการ32อยู่เรื่อยๆถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังหรืออยู่ที่เนื้อถามไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่มีมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองใจเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เกิดความ ตกใจเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าแต่ถ้าเราคอยสอนใจให้มองไปเรื่อยๆว่าร่างกายนี่เป็นเพียงอาการ32ที่มีวันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่หวาดกลัวกับความแก่กับความเจ็บกับความตาย พอเรารู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็คืออาการ32นี้เองก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่แก่ลงไปเรื่อยๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เรานี่เป็นเพียงผู้มาคอยดูแลรักษาร่างกายนี้เราเป็นเหมือนที่เลี้ยงส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนที่เป็นเหมือนเด็กหรือเป็นคนที่เรา มีความรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูเท่านั้นแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราสอนใจอย่างนี้ไปได้เรื่อยใจเราก็จะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจกับการเป็นไปของร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นเพราะเราก็รู้ว่าร่างกายของผู้อื่นก็เป็นอาการเสี่ยง12เหมือนกันไม่ใช่ตัวของผู้ที่ดูแลรักษาร่างกายนะั้น เช่นร่างกายของพ่อแม่ก็ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ร่างกายของสามีของภรรยาก็ไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาร่างกายของลูกของหลานก็ไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานลูกหลานเขาไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายของเขาพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายของเขาตัวเขาก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์เป็นตัวของเขาอยู่เหมือนเดิม เขาไม่มีร่างกายอันนี้เขาก็ยังเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อดังนั้นเวลาที่เกิดการชัดพัดพลากจากกันก็จะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จะรู้ว่าเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเป็นการย้ายที่อยู่ใหม่ที่อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้คนที่อยู่ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ร่างกายนี้เมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ นี่คือการควบคุมความคิดที่จะทำให้ไม่ไม่ให้เกิดความอยากไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆถ้าคิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดใจก็จะฉลาดจะไม่หลงจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปมีการจากกันไปนั่นเอง นี่คือวิธีที่เราจะชำระใจของเราไม่ให้เกิดความโลภไม่ให้เกิดความอยากต่างๆพอเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากเวลาที่เราอยากได้อะไรแล่เราไม่ได้ตามที่เราอยากนั่นเองเช่นเราอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไม่มีเงินเที่ยวขอยืมเงินเงินมาเที่ยวเขาไม่ให้ยืม ก็ไปโกรธคนที่เขาไม่ให้ยืมเงินเราแต่ถ้าเราไม่อยากเที่ยวเราก็ไม่ต้องไปขอยืมเงินใครเราก็จะไม่โกรธใครความโกรธนี้เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากแล้วความโลภความอยากก็เกิดจากความหลงความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่กับรูปเสียงกินลสโภชภะอยู่กับ บ, บุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้ แต่ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความสุขเพียงนิดเดียวแต่มีความทุกข์ติดตามมาเป็นจานวนมากถ้าเราสอนใจใจก็จะไม่หลงพอไม่หลงก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะการอยากได้สิ่งต่างๆก็เท่ากับการได้ความทุกข์มานี้เอง ได้สามีก็ต้องมาทุกข์กับสามีได้ภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยาได้ลูกก็ต้องทุกข์กับลูกทุกทั้งขณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ทุกขณะเวลาที่จะต้องจากกันไปความสุขที่ได้จากสามีภรรยาจากลูกนี้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่คุ้มกับความทุกข์ที่จะต้องได้รับมานี่คือการสอนใจให้จราไม่ให้หลง พอไม่โลแล้วก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไรพอไม่โลภไม่อยากได้อะไรก็จะไม่ทุกข์จะไม่โกรธใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าใจไม่ได้มีความสุขจากการมีมากหรือมีน้อยแต่ใจได้ความสุขจากการไม่มีความโลภความอยาใจได้รับความสุขจากการตั้งอยู่ในความสงบนี้เอง นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาช่วงก้าพรรษานี้ทำให้เรามีเหตุผลที่จะทำให้เราเล่นความเพียรเพิ่มมากขึ้นเพื่อเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่แน่ว่าชีวิตของเรานี้ จะอยู่ไปได้นานอีกเท่าไหร่ถ้าเรามัวแต่ทําไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามชีวิตของเราอาจจะหมดก่อนที่เราจะถึงผลที่เราต้องการก็ได้แต่ถ้าเรามาเพิ่มความเพียรทํากันให้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้ผลที่เราต้องการก่อนที่ร่างกายนี้ก่อนที่ชีวิตนี้จะหมดสภาพไปดังนั้นในการในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้นอาออกไปพิจารณาว่าควรจะเพิ่มความเพียรปฏิบัติกับอะไรมากจะทำบุญมากขึ้นอย่างไรจะละบาปมากขึ้นอย่างไรจะชำระใจให้สะอาดมากขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าผลนั้นเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทาของเราไม่ได้เกิดจากความอยากความอยากไม่สามารถทำให้ผลเกิดขึ้น แต่การปฏิบัตินี้จะทำให้ผลเกิดขึ้นด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็จเจริญ ว, วิริยะสัจจะแล้วก็ขันติถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วผลที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัยเพื่อท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณัสุขัภาะโดยทั่วหน้ากันเทอ